สมัยก่อนคนรวยๆบริโภคมากไม่ได้นะสมัยก่อนร่ำรวยขึ้นมาก็ต้องไปสร้างวัดไปอะไรทำสาธารณะประโยชน์ถ้าเศรษฐีคนไหนบริโภคมากต้องถือว่าทำเทียมเจ้าทำเทียมเจ้าแล้วก็โดนแน่นอนนะถ้าโดนเจ้าเล่นงานเจ้าอาจจะไม่เล่นงานนะแต่ชาวบ้านด้วยกันนะเรียกโซเชียลแซงชั่น เดือนนี้มีเท่าไหร่เก็บไว้ก็ยิ่งดีไม่แจกไม่เผื่อไม่แปลกนะสมัยคนแต่ก่อนมีอะไรก็ทุ่มลงไปที่วัดทุ่มลงไปให้สังคมสังคมมันควบคุมกันเองและอย่างไม่มีอะไรให้บริโภคด้วยพระเจ้าแผ่นดินน่าเชื่อไหมยอยู่ในวงังอยู่ธรรมดานุ่งผ้ากมาฝืนเดียว เรียกผ้าปูสาแดงยังเดินนุ่งผ้าขม้าแดงแตอนหลังเราเอาไปใช้กับจอมพลผ้าขม้าแดงสังคมมันเปลี่ยนทุกวันนี้สังคมมันพร้อมจะให้เราเห็นแก่ตัวเบียดเบียนกันรุนแรงมากบริโภคจนไม่รู้จะบริโภคยังไงก็สะสมมากมายเราไปแก้ปัญหาที่คนอื่นไม่ได้หรอก เราตัวเล็กตัวน้อยเราไปบงการไปควบคุมอะไรไม่ได้ได้แต่รับผลกระทบไปเดี๋ยวนี้เข้าแกงจานหนึ่งสามสี่สิบาทนะโอ้ห้ากลัวมากเลยแต่ก่อนนี้หกสลึงยังทไหนเรียนอยู่จุฬาทุกคนมันเยอะนะแย่งกันกินดันมาเกิดแย่งกันทำไมโลกมันก็วุ่นวายนะ ภัยธรรมชาติก็รุนแรงภัยจากมนุษย์ด้วยกันก็รุนแรงเราก็ต้องมีธรรมะรักษาใจของเราไว้ให้ดีเราไปแก้ภาพรวมของสังคมใหญ่ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรช่วยไม่ได้สัตว์โลกมีกรรมเป็นของตัวเองเรามีโอกาสได้สัมผัสพุทธธรรมนะมาศึกษาธรรมะให้จริงจังอย่าทําเล่นธรรมะไม่ใช่ของเล่น ธรรมะเป็นของจริงคนจริงก็ได้ของจริงทำเล่นเล่นก็ได้แค่ของเล่นเล่นต้องฝึกมาเรียนนะให้แม่นหลักต้องแม่นถ้าหลักไม่แม่นเราภาวนามไม่ได้หรอกโดยภูมิจิตภูมิธรรมของพวกเรารู้ด้วยตนเองไม่ได้รู้วิธีปฏิบัติด้วยตนเองไม่ได้เราไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราเป็นแค่พวกอนุพุท ธ, ธะรู้ตามพระพุทธเจ้าไปเท่านั้น น, นต้องเรียนอะไรที่ท่านสอนเราก็ทำนะอะไรที่ท่านห้ามก็อย่าไปทำท่านห้ามไม่ให้ทำบาปทุกๆ ท, ทางบาปทางกายบาปทางวาจาบาปทางใจเราก็ต้องวนเว้นอะไรที่ท่านให้ทำท่านให้เจริญกุศลพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาวิธีจะให้มีศีล มีวิธีการเบื้องต้นก็ตั้งใจรักษาไว้ก่อนมีเจตนาเรียกเจตนาวิรัติเจตนางดเบ้นการทำผิดศีลมีโอกาสที่จะทำผิดได้แต่ไม่ทำนะเรื่องมีศีลไม่ใช่ไม่มีปัญญาจะทำแล้วบอกมีศีลก็ไม่ถือว่ามีศีลอย่างอายุร้อยปีแกงงักเลยนะอยากจะเป็นเท่าหัวงูกับเขาอีกนะไม่มีปัญญาจะเป็นแนละบอกว่ามีศีลไม่ใช่ หมอห้ามกินเหล้าเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นแล้วไม่ได้กินนะไม่มีศีลไม่ใช่ถ้ามีเจตนาที่จะงดเม้นได้จริงจรยังมีศีลศีลจะถือได้ดีถ้ามีสติรักษาจิตไหมคนทำผิดศีลเพราะกิเลสก ง, ง้ามจิตถ้ามีสติรักษาจิตของเราไปได้วยกิเลสอะไรเกิดขึ้นรูดทันกิเลสอะไรเกิดรูดทันศีลมันก็งามขึ้นมาทำไงจะมีสมาธิต้องมาเรียนเรื่องจิต ใครบอกไม่อยากเรียนเรื่องจิตนี่นอกครูนอกพระพุทธเจ้าศีลสิษยาจิตสิษยาเพราะไม่เรียนเรื่องจิตนั่นแหละถึงเดินปัญญาแล้วไม่เกิดมากเกิดผลเพราะมันไม่มีปัญญาจริงเป็นสัญญาไปหมดคิดที่เราเป็นวิตกเป็นความจำนึกเอาจำเอาเะลางกิเลสไม่ได้ปัญญาจะเกิดได้จิตต้องมีสมาธิที่ถูกต้อง จิตจะมีสมาธิที่ถูกต้องได้ต้องมีการศึกษาเรื่องจิตให้ดีจิต ท, ที่มันฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆนมันไม่มีสมาธิฟุ้งจับจดในอารมณ์ต่างๆทำไงจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิต ท, ที่ทรงสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาจริงๆในพระใจปีโดก็พูดถึง เป็นจิต ท, ที่เบาจิต ท, ที่อ่อนจิต ท, ที่นุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแข่การงานท่านจะพูดอย่างนี้พอมีจิตชนิดนี้แล้วถึงโน้มน้อมจิตชนิดนี้ไปเพื่อยานทัศนะมัต้องมีจิต ท, ที่ดีก่อนถึงจะโน้มน้อมไปเพื่อยานทัศนะไม่งั้นก็โน้มไปหากิเลสไปหาโมหะไม่ใช่เพื่อยานทัศนะดังนันต้องเรียนเรื่องจิตยังไงก็ต้องเรียนถ้าไม่เรียนก็ช่วยไม่ได้ ถาเราเรียนเรื่องจิตเราจะรู้เลยว่าจิตชนิดไหนนะเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลอันนี้เบื้องต้นเลยต้องรู้จิตชนิดไหนเป็นกุศลที่ใช้ทําสมถะจิตชนิดไหนเป็นกุศลที่พร้อมกับการเจริญปัญญาพร้อมสําหรับการเจริญปัญญาต้องรู้งั้นอย่างในขณะนี้เรามีจิตที่ควรเจริญปัญญานะดันไปทําสมถะอั น, นี้งโง่ละ หรืในขณะ น, นี้จิตไม่พร้อมที่จะเจริญปัญญานะควรจะทําสมถะได้แล้วก็ไม่ทนะําจะเจริญปัญญารวดไปเลยอั น, นี้ก็โง่อีกแล้วงั้นต้องเรียนเรื่องจิตให้แตกฉานนะยังไงก็ลาเว้นไม่ได้เพราะเป็นเป็นบทเรียนสําคัญในทางพระพุทธศาสนาหลวงพ่อสังเกตมาตั้งแต่เป็นโยมนะว่าทําไมบางคนภาวนานได้บางคนภาวนานไม่ได้จิตมันผิดขนาะด ถ้าจิตมันผิดเสดอย่างเดียวมันทํอะไรมันก็ผิดไปหมดนะ่ะถ้าจิตมันถูกนะจะทำกรรมฐานอะไรมันก็ถูกทั้งหมดนะ่ะเหมือนกันหมดเลยงั้นมันไม่ใช่ว่าสายไหนดีกว่าสายไหนนะอยู่ที่ว่ามีจิตที่มีคุณภาพพอหรือเปล่าไม่ใช่ว่าพุโทโธดีกว่าหรือลมหายใจดีกว่าหรือพองยุบดีกว่าไม่ใช่ว่าพุโทโธผิดหายใจผิดพองยุบผิดหรือขยับมือทาจังหวะผิดเลยไม่ใช่ ถ้าจิตผิดทํากรรมฐานอะไรก็ผิดหมดนะถ้าวางจิตไว้ถูกต้องจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเบาจิตอ่อนจิตนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานมีจิตชนิดนี้แล้วน้มน้อมจิตชนิดนี้ไปเพื่อยานทัศนะเห็นไหมไม่ใช่ว่ามีจิตชนิดนี้แล้วจะเกิดยานทัศนะนะในพระไตรปิฎกคําแต่ละคําสําคัญมากเลยอัศจรรย์ท่านรักษากันมาได้อย่าไปดัดแปลงแก้ไขพระไตรปิฎก งั้นเรามาฝึกจอกระทั่งจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วน้มน้ำจิตอย่างนี้ไปให้มีกิานทัศนะคือหมายถึงอะไรอย่าไปติดนิ่งติดเฉยติดว่างรู้ตัวอยู่แล้วก็รู้ตัวตลอดวันนี้รู้ตัวพรุ่งนี้รู้ตัวมาลืนรู้ตัวรู้ตัวไปทุกพบทุกชาติมันไม่เกิดปัญญาความรู้สึกตัวคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นแค่จุดจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเท่านั้นเอง งั้นไม่ใช่รู้สึกตัวแล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนะแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวไม่มีวันบรรลุมรรคผลแต่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่แน่ว่าจะบรรลุไหมจะต้องน้มน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะทํำยังไงมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละมีสติระลึกรู้รูปนามรู้รูปรูป้นามรูปนา ม, นามบางทีท่านก็สํานวนยักย้ายไปให้คนเข้าใจแตกต่างกันบางทีท่านก็เรียกว่าเป็นขันห้า ในวิปัสสนาภูมินะมีเรื่องขันห้าให้รู้ขันห้านะขันห้าจริงๆคืออะไรก็คือรูปกระนามทีท่านก็สอนอายตนนะหกอายตนะ6มีอะไรอายตนะหก็คือรูปกระนำแต่เปลี่ยนมุมมองไปบางทีท่านสอนท่าสิบแปาสิบแเป็นอะไรก็เป็นรูปกระนำอีกแหลนะบาทีสอนอินรนะีย์่2ิบสองใเราไม่ค่อยได้พูดถึงอินรีย์่2ิบสนะมันละเอียดมาก เยอะขึ้นเยอะขึ้นแค่รู้รูป ร, รู้นามก็พอแล้วละเอียดขึ้นหน่อยก็มารู้ขันรู้อายตนะมาถึงรู้ธาตุนันก็เยอะขึ้นไปอีกไปรู้เรื่องอินทรีย์อินทรีย์แต่ละอินทรีย์ทำที่เป็นใหญ่อยู่ในตัวขอ ง, องตัวเองนะถ้าแบบตัวนี้ทำงา น, น, นก็ตัวอื่นก็ต้องคล้อยตามตัวอินทรีย์แต่ละอินทรีย์เที่ยงไหมศรัทธาเที่ยงไหมศัทธาก็ไม่เที่ยงนะตา ตาเขเป็นอินทรีย์นะตาก็เป็นทำนะ ก, กิจเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในทางดูหูก็ยิ่งใหญ่ในการฟังได้อินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอินทรีย์ก็เป็นรู ป, ปรนามอีกแหละดูลงไปอินทรีย์2ีก็รูปรนามอีกธาตุสิก็รู ป, ปรนามอะไรเรียกว่าธาตุอะไรเป็นธาตุสิตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกแหละรูปเสียงกยลิ่นรสพุทธภพธรมรมารมย์ แล้วก็วิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรวมแล้วก็รู ป, ปันามอีกในขันห้าก็เป็นรู ป, ปรนามรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามในอเยตนาหกตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปใจเป็นนามไล่ไล่ไปนะในธาตุสิในอินทรีย์22ก็รู ป, ปรนามในวิปัสสนาภูมินะมีทั้งหมด6 6หหัวข้อที่ใช้เดินปัญญา มีมีขันมีอายตนะมีธาตมีอินสีมีอริยสัจสีรู้อริยสัจสีก็ได้นะอริย ส, สัจเีาเข้าจริงก็รูปกระนำอีกมีเรื่องรูปกระนำแล้วก็มีส่วนที่พ้นรูปนำเมื่อรู้แจ้งรูปนำแจ่มแจ้งแล้วก็วละสมุทัยอัตโนมัติแจ้งนิโรธอัตโนมัติอริยสัจเนี่ยกว้างขวางมากครอบคลุมธรรมาทั้งส เกิดทั้งฝ่ายดับทั้งฝ่ายโลกิยะทั้งฝ่ า, ายโลกุตระท่นอริยสัตเนี่ยท่านไดยกว่เป็นยอดของธรรมะครอบคลุมธรรมะอื่นทั้งหมดเลยเป็นส่วนของทุกข์ก็มีส่วนของความพ้นทุกขก็มีเป็นส่วนของเหตุก็มีเป็นส่วนของผลก็มีสมุทัยเป็นเหตุทุกเป็นผลมีมรรคเป็นเหตุมีนิโรธเป็นผลอะไรเงี้ยยากย้ายได้กว้างขวางมากนะอริยสัจ วันนี้เรายังไม่เห็นเนาะยากจะไว้แจ้งอะ่ะวันหนึ่งจแจ้งอริยสัจนะภานาให้เต็มภูมิเต็มขีนะแจ้งอริยสัจเนะโอไม่มีธรรมะอะไรงดงามมหาศจรรย์ลึกล้ำเหมือนอริยสัจอีกอีกหมวดหนึ่งที่ใช้ทำ ม, มิปัสสนานได้ก็คือปฏิจจสมุ ป, ปบาท1 2ปฏิจจสุ บ, บาท12จริงๆก็คือการแจกแจงอริยสัจนงในรายละเอียด ให้เห็นกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างความไม่รู้ทุกข์จนถึงตัวทุกข์เราไม่รู้ทุกข์นะสุดท้ายก็ได้ทุกข์มาเชื่อมโยงระหว่างปัญญารู้แจ้งมีวิชาร้างความไม่รู้ลงไปก็ลงไปสุดท้ายที่การดับทุกข์ลงไปถ้าดับทุกข์ก็ไปถึงอะไรดับทุกข์ก็ไปถึงนิพพานก็เป็นอริยสัจเหมือนกัน เนี่ยเรื่องที่ที่เราชาวพุทธต้องศึกษาในขั้นเดินปัญญาเนะี่ก็ศึกษาความจริงของขันของอายตนะของาธาตุของอินทรีย์ของอริยศาสต ร, ร์ของปฏิจจสมุ ป, ปบาทเนี่ยถ้าเรียนนะเรียนอยู่ในเรื่องเหล่านี้แหละก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้พระพุทธเจ้าท่านเก่งท่านเห็นว่าถ้าสอนเยอะขนาด น, นี้นะักคงคนคนคงท้อใจแล้วฝังยากท่านย่อลงมา เป็นสติปัฏฐานสอนลงมาเป็นสติปัฏฐานสอนวิธีอย่างถ้าเราได้ยินว่าให้รู้ขันใช่ไหมให้รู้อายตนะรู้ธาตุรู้อินทรีย์รู้อริยสัจรู้ปฏิจจสมบัติไม่รู้จะปฏิบัติยังไงงั้นท่านสอนวิธีปฏิบัตินะแจกแจงวิธีปฏิบัติลงมาในสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นจะต้องรู้รูปน่ำนะถึงจะเป็นวิปัสสนาแต่ในสติปัฏฐานนั้นบางส่วนนะบางส่วนบางหัวข้อ เป็นสมถกรรมฐ า, านท่านแทรกสมถะาไว้ด้วยเป็นสมถะง่ายๆอย่างพิจนาอาหารเป็นปฏิกูลเลยพิจนาปฏิกูลนะหรือบางอย่างเป็นทั้งสมถะทางวิปัสสนาควบกันอย่างอานาปนาสติอย่าเนึกว่า ง, ง่ายนะเป็นกรรมฐ า, านของพระมหาบุรุษ ช, ชั้นยอดที่ทำได้ทั้งสมถะทางวิปัสสนาการดูจิตเนี่ยมีจิตอยู่สองดวงเอาไว้ทําสมถะจิตส่วนใหญ่เอาไว้ทํำวิปัสสนา จิตส อ, สองดวงที่ใช้ทําสมถะเอาไว้ทํำมิปัสสนาก็ได้ด้วยนะทำสมถะก็ได้คืออากาสานัญญาต น, นากับอากินจัญญยาสนะน้อมจิตไปสู่ความว่างน้อมจิตไปสู่ความไม่มีอะไรเลยอันนี้เป็นสมถะแต่ถ้าจิตน้อมไปสู่ความว่างแล้วก็เห็นว่าจิตที่ที่น้อมไปสู่ความว่างก็ไม่เที่ยงอันนี้ยเจริญปัญญาดังั้นธรรมะของท่านประณีตมากนะ แต่ท่านสรุปมิธีปฏิบัติออกมาง่ายๆมีในสติปัฏฐานนั่นเองท่านถึงบอกสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกทางสายเดียวแต่ไม่ได้ครอบคลุมอารมณ์ทั้งหมดนะท่านเลือกมาแต่แต่ว่าครอบคลุมเพครอบคลุมเพราะในสติปัฏฐานเนีอริยสัจอริยสัจครอบคลุมธรรมะทั้งหมดอยู่แล้วนเะะเจรญมิปสนานะต้องรู้ว่าต้องรู้อารมณ์รูปนาม ท่านสอนเรื่องกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมท่านสอนว่าให้ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นวิหารธรรมงั้นงานแรกที่เราต้องมีนะคือมีรูปนามเป็นวิหารธรรมต้องมีวิหารธรรมวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตคือบ้านของจิตถ้าจิตไม่มีบ้านจิตก็ร่อนเร่ไปแต่จิตอยู่บ้านไม่ใช่จิตติดคุกถ้าจิตร่อนเร่หลงจากบ้านไปเขาเรียกว่าย่อหย่อนเกินไปตกไปสู่กามสุขาริกานุโยค ถ้าจิตติดคุกบังคับให้อยู่กับอารมณ์มันเดียวไม่ยอมหนีไปไหนออกไปไหนไม่ได้เลยก็ตึงเกินไปเป็นอัตตะกามัฏฐานโยชนั้นต้องรู้นะว่าคําว่าวิหารธรรมเนี่ยไม่หย่อนไม่ตึงนะพอดีพอดีเม่อนคนอยู่บ้านอยู่บ้านไม่เครียดใช่ไหมอยู่บ้านก็ไม่ใช่หลงออกไปนอกบ้านแต่ว่าไม่ได้เครียดไม่ได้อยู่แบบเครียดๆนั้นถ้าทํากรรมฐานเราก็เครียดอยู่ตลอดวันตลอดคืนไม่ใช่ของจริงอะเดินปัญญาไม่ได้อ่ะ แค่นันแรกเลยเราต้องรู้รูปนามนะต้องรู้อย่างเป็นวิหารธรรมท่านใช้ว่ากายเยกายยาโนปัสสีวิหารติโนปัสสีอนุปัสสีคือว่าตามเห็นใช่ไหมบางคนบอกหลวงพ่อประโมทสอนผิดไปใช้คําว่าตามเห็นตามรู้ผิดพระพุทธเจ้าใช้คําว่าอนุปสัสสีตามเห็นเนืองเนืงซึ่งกายในกายอะไรคือกายในกายไม่ใช่กายทิพย์นะบางคนว่ากายในกายคือกายทิพย์ไม่ใช่ กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมหมายถึงว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างมาศึกษาไม่ต้องเรียนกายทั้งหมดหรอกเรียนกายบางส่วนในกายส่วนใหญ่เช่นเรียนถึงรูปที่หายใจออกรูปที่หายใจเข้ารูปที่ยืนรูปที่เดินรูปที่นั่งรูปที่นอนถ้าเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดไม่เป็นเราแล้ว ถ้เห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดก็ไม่ใช่เราละเรียนบางอย่างเท่านั้นเองเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งร่างกายเคลื่อนไหวก็ไม่ใช่เราร่างกายที่กําลังหยุดนิ่งอยู่นี้ก็ไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่เราละเรียนแค่มุมใดมุมหนึ่งอจิตในจิตก็เหมือนกันเรียนจิตบางอย่างคนไหนโลภมากก็ดูจิตโลภเป็นหลักก็จะเห็นเลยทั้งวันมีแต่จิตโลภกับจิตไม่โลภ คนไหนชีโมโหก็มีจิตโกรธกับไม่โกรธก็มีดูเป็นหลักๆไว้เป็นบ้านมายถึงอยู่ประจํารู้ตัวนี้บ่อยๆแต่ไม่ใช่ไม่รู้ตัวอื่นถ้าไม่รู้ตัวอื่นนี่ติดคุกละถ้าพุทโธแล้วไม่ยอมหลุดไปไหนเลยมีแต่โลกนี้มีแต่พุทโธแล้วฟ้าจะผ่าก็ไม่รู้นะรถจะทับตายก็ยังไม่รู้เลยเดินพุทโธไปข้างถนนนะตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินใช้ไม่ได้อะ เรามีรูปนามนะบางอย่างตามรู้รูปนามบางอย่างเพื่อเป็นวิหารธรรมกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีตามรู้กายในกายเนืองเนืองตามเห็นนะตามเห็นกายในกายเนืองเนืองะเป็นวิหารธรรมอยู่อาตาปีมีความเพียรแผดเผากิเลสไม่ใช่ภาวนาสนองกิเลสแต่ภาวนาต้องแผดเผาให้กิเลสเล่าร้อนไม่ใช่ภาวนาแล้วเราเล่าร้อนเพราะกิเลส เมื่อไหร่จะบรรลุเมื่อไหร่จะบรรลุเนี่ยไม่ได้ทําตามที่พระเจ้าสอนแนละ้วใครเป็นบ้างเมื่อไหร่จะบรรลุมีไหมไม่มีก็ผิดปกติ <c oughs> เป็นทุกคนแหละต้องแผดเผากิเลสให้เล่าร้อนไม่ใช่ไปนสนองกิเลสด้วยไม่ใช่พานาประคองจิตให้นิ่งให้ว่างให้อยู่กับ น, นิ่งกับว่างมีความสุขในรันดอนแน่นภานวนาไม่ได้มีอาตาปีแนละ้วภาวนาสนองกิเลนะเสสมปะชาโนมีความรู้สึกตัวอยู่ รู้ว่าทำอะไรเพื่ออะไรทำอย่างไรไม่หลงไม่เผลอลืมหน้าที่ของตัวเองซะนี่สัมปชัญญะรู้ว่าอะไรมีประโยชน์รู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระรู้ว่าอะไรไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์รู้ว่าอะไรสมควรกับเราอะไรไม่สมควรแั่เราแล้วก็ทำในสิ่งที่สมควรกับเราให้มากนี่เรียกว่าสัมปชัญญะ สิ่งทั้งหลายในโลกนี้นะมี2ส่วนส่วนที่มีสาระกับส่วนที่ไม่มีสาระส่วนที่ไม่มีสาระตัดทิ้งไปเราวยาวแต่ส่วนที่มีสาระเนี่ยตัวที่รู้จักเลือกเฟ้นตัวเนี้ยเรียกว่าสัมปชัญญะในบรรดาส่วนที่มีสาระนั้นมีส่วนหนึ่งเป็นประโยชน์มีอีกจํานวนมากไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์รู้ไปก็สนุกเล่นๆอย่างเงี้ยเช่นเมฆมีกี่ชนิดอะไรเงี้ยนะตอนนี้ยังไม่มีประโยชน์กับเรา บางคนสนใจว่าเมกมีกี่ชนิดเป็นศึกษามากมายก็คงดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันประโยชน์กับอะไรก็ยังไม่รู้นะประโยชน์การอยู่กับโลกโลกในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งหลายนะสิ่งที่สมควรแก่เรานะบางส่วนเท่านั้นของที่มีประโยชน์นั้นบางส่วนเท่านั้นสมควรแก่เราจํานวนมากเลยไม่สมควรแก่เรา นเนี่ยถ้าเรารู้จักเลือกเฟ้นนะเราจะรู้เลยว่ากรรมฐานอะไรเนี่ยสมควรแก่เรางั้นต้องรู้จักต้องฉลาดนี่เรียกมีปัญญานะเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้สมควรแก่เราเราไม่ทอดทิ้งคอยรู้ไม่หลงไม่ลืมของที่สมควรแก่เราเนี่ยเป็นสัมปชัญญะที่สูงที่สุดเลยชื่ออาสัมโมหะสัมปชัญญะอาสัมโมหะก็คือไม่ประกอบด้วยโมหะไม่ประกอบด้วยความโง่ ไม่โง่รู้ว่าอะไรสมควรแก่เรานะแล้วก็ไม่หลงลืมมันไปถ้าทิ้งของสมควรแก่เราไปก็โง่ลนะมีสัมปชัญญะนะแล้วก็มีสติมีสติะระลึกกะไ ร, ร, รก็ระลึกรู้ในความเป็นจริงของรูปของนามนั่นแหละคอยดูความจริงของรูปของนามที่เขาทํางานเรื่อยไปนะบางคนก็มองในมุมของขันห้ามองในมุมของอายตนะหก มองในมุมของธาตุ8มองในมุมของอินทรีย์22มองในมุมของอริยสัจสีมองในมุมของปฏิจจสมุปบาทสิบสอิบมีฝ่ายเกิด12บฝ่ายดับ12แต่รวมแล้วจะมองมุมไหนนะย่อลงมาก็เหลือรู ป, ปรนามแต่ดูเท่าที่เหมาะที่ควรที่จำเป็นสำหรับเราเป็นประโยชน์สำหรับเราเราไม่ต้องรู้กรรมฐ า, านทุกชนิด รู้กรรมฐานชนิดที่เหมาะกับตัวเราเองถ้ามีไงจะรู้ได้อันแรกเลยถ้ามีพระพุทธเจ้าก็ไปถามท่านข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้โปรดบอกกรรมฐานที่ข้าพระองค์ปฏิบัติแล้วจะพ้นจากทุกข์ในเวลาสั้นถ้าท่านก็ยังเฉยอยู่ต้องถามอีกครั้งที่สองครั้งที่สามท่านก็จะบอกไม่มีหรอกไงย ง, ยงยแกก็ตกนรกอะไรเงี้ยถามมาก บางคนถ้าสมควรบอกท่านบอกเลยบางคนสมควรบอกแต่ท่านให้ถามหลายทีนะมีย่างพระพาหิย์ถามตั้งสามครั้งถึงจะยอมสอนให้หายหายตื่นเต้นก่อนหายเหนื่อยก่อนหนะลอกให้ให้คลายความหมกมุ่นที่ตั้งอกตั้งใจจะเรียนเตรียมมาจดเลคเชอร์เต็มที่เลยนะให้คลายก่อนโมคราชผู้มีปัญญามาก ควรจะถามได้เป็นเบอร์สองเบอร์สามในกลุ่มเพื่อนสิบคนท่านปล่อยถามแล้วท่านไม่ตอบถามแล้วท่านไม่ตอบจนไปถึงคนลองโรอแล้วท่านถึงตอบเหมาะที่จะตอบตอนนี้แต่เราไม่มีพูดให้เจ้าจะถามนะแล้วเราไม่รู้หรอกว่ากรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเราหลวงพ่อเคยเห็นครูบาอาจารย์ที่รู้คือหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลจะสอนลูกสิธิ์โดยจำแนก แต่ท่านไม่สามารถตอบโชว์์แบบพระพุทธเจ้านะว่าทำอันนี้สิทำอย่างนี้สิเราไปเรียนกรรมฐานกับท่านนะท่านจะนั่งหลับตางเงียบๆไปร่วมชั่วโมงแหละแต่ท่านลืมตาท่านสอนถ้าเราไม่ทำอย่างที่ท่านสอนนะไม่ได้ผลหรอกยังไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์องค์ที่สองที่เป็นแบบนี้อาจจะมีนะแต่ไม่มีไม่ไม่มีที่ ร, รู้จักนะงั้นถ้าเราไม่มีทาไงสิ่งที่จะช่วยเราได้เราขาดกัญยาณมิตรนะ เราใช้โยนิโสมนานศิการให้มากแยบคายในการสังเกตถ้าทําอะไรแล้วสติเกิดบ่อยก็ทํามันนั้นแหละทําอะไรแล้วอกูศนเสื่อมไปกูศลเจริญขึ้นทํามันนั้นแหละอย่างถ้าเราปฏิบัติแล้วสีนของเราดีขึ้นเรื่อยๆเออนี่ดีกับเราเราปฏิบัติแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจเคยจะห น, นีไปตลอดไม่เคยรู้เลยว่าจิตหนีไปมาภาวนาแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้ทันแล้วจิตหลงไปก็รู้นะ เออเ น, นี้หมากับเราแนละ้วไม่เคยแยกรูปแยกนามได้นะมาปฏิบัติแบบนี้แยกรูปแยกนามได้เอออันนี้เหมาะกับเราลนะเราดูดูที่ผลของการปฏิบัตินะดูว่าสู้กิเลสไหวไหมกุศลเจริญไหมอกุศลเสื่อมลงไปไหมสํารวจตัวเองกรรมฐานอะไรที่พอเหมาะพอควรกับเราแล้วก็เลือกเอาอย่าไปเรียนแบบเพื่อนนะเห็นเขาส่งกันบ้านนู้น่าจะดีเมื่อก่อนมีนะฟังซีดี ฟังคนนี้ก็ถามหลวงพ่อบอกให้ไปทํางี้สิเอาไปทําอีกวันมาฟังอีกหลวงพ่อตอบอีกคนหนึ่งให้ทํางี้สิเอาไปทํำอีกนี่นักทำนะร ม, ม, มสารพัดวิธีไม่ได้ผลสักวิธีเลยเปลี่ยนกรรมาฐานรายวันไม่สํารวจตัวเองจะเรียนแบบของคนอื่นงั้นต่อไปซีดีต้องปั๊มข้างหน้าเนะะาะกรรมฐานแต่ละอย่างเนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบ เอาไปทําหมดทุกอย่างนะ้วไม่ได้ผลหรอกต้องดูตัวเองนะทำอะไรแล้วอกุศลเสื่อมไปทําะไรอะไรแล้วกุศลเจริญขึ้นเอาอันนั้นแหละภาคเพียรไปพอรู้ทางรู้สิ่งที่เหมาะที่ควรกัเราแล้วนะไม่หลงไม่ลืมไปภาคเพียรมีสติรู้รูปนามอันนั้นแหละรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางจิตตั้งมั่นเป็นกลางได้มาตั้งแต่การเจริญจิตจิตสิกขา เรียนเรื่องจิตจะได้สมัครที่ที่ถูกต้องขึ้นมาบางคนไม่เอาจิตโอฟังแล้วน่าสงสารนะก็เพราะไม่เอาจิตสีลมันภาวนาเป็นสืซะที่ไหน ไ, ได้แต่เพ่งเพ่งเอาเท่านั้นนะไม่เรียนเรื่องจิตให้ดีไปพุโทโธก็เพ่งพุโทโธไปดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจไปดูท้องก็จิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าอ จิตไม่ถอนตัวไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานไม่เห็นรูปเห็นนามแยกออกจากกันทําไม่ได้จริงหรอกหรือตามองเห็นรูปไปเพ่งจักขู่ปราสาทไปเพ่งรูปไปเพ่งผัสสะไปเพ่งจิตที่เกิดที่ตาแค่ตามองเห็นรูปนะเพ่งมันได้สี่อย่างมีนานาชนิดเลยนะเนี่ยถ้าเรียนจิตสิกขาให้ดีจะไม่เป็น จิตจะต้องตั้งมั่นขึ้นมาก่อนจิตตั้งมั่นไม่ใช่จิตเคลิ้มเิมง้องแง้ง้องแง้นะบอกนั่งสมาธิบางคนก็เข้าใจผิดแล้วนั่งสมาธิมากๆแล้ววันหนึ่งจะเกิดปัญญาไม่เกิดหรอกนั่งสมาธิไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาสมาธิมีสองอย่างสมาธิอันหนึ่งทําให้สงบทําให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงพอจิตใจมีเ ร, เรี่ยวมีแรงต้องมาเจริญปัญญาสมาธิชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นจิตชนิดนี้แหละเอาไว้เจริญปัญญา สมาธิที่จิตตั้งมั่นนี่มีตั้งแต่คณิกะสมาธิตั้งช่วขณะอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิใช้ได้หมดเลยนะสมาธิที่ดีนี่มีสามอันสมาธิที่เหลวไหลไหลไหลเคลื่มเคลื่มไปหลวงปู่เทศท่านก็พยายามนะท่านท่านเก่งมากในเรื่องสมาธิท่านเคยติดสมถะนานท่านแยกสมาธิสองชนิดนี้มานานลนะแต่ท่านเรียกสมาธิที่ไม่ดีว่าชาน นั่นเรียกสมาธิที่ดีว่าสมาธินี่ท่านยืมคํามาใช้แล้วนะท่านก็อธิบายชานก็มี3แบบนะวูบลงไปนี่ก็แบบ1นนะวูบลงไปแล้วก็ไปเคลื่อนเคลื่อนอยู่ข้างในนี่อีกแบบหนึง่งนะวูบลงไปแล้วก็เด้งขึ้นมาเลยก็่นเป็นอีกแบบหนึง่งท่านไปอธิบายด้วยรวังสามนี่เป็นคําที่ท่านยืมมาใช้เท่านั้นไม่ตรงปริยัติหรอส่วนสมาธิที่ถูกท่านก็มี3มัญมีคณิกาสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิอันนี้ตรงกับตำรา รวมความไม่มีสมาธิไม่ได้เรื่องอยู่ด้วยนะต้องระวังถ้าไม่เรียนเรื่องจิตให้ดีจิตจะน้อมไปหาสมาธิไม่ได้เรื่องเอาจิตที่มีสมาธิไม่ได้เรื่อ ง, อ ไ, ไ, องไปเจริญปัญญาก็เป็นปัญญาไม่ได้เรื่องแหละตัวนี้สําคัญมากนะเมื่อก่อนไปคุยกับครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเก่งมากนะยังไม่ตายท่านก็เล่าให้ฟังว่าอาจารย์มหาบัวสอนให้ท่านพุโทโธกําหนดจิตไว้ตรง น, นี้แล้วพุโทโธไปเลยพุโทโธไปแล้วรู้ทันจิต พุโทโธแล้วดูจิตนะไม่ใช่พุโทโธแล้วเฉยๆพุโทโธแล้วดูจิตท่านถึงได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วท่านมาแยกธาตุแยกขันต์ต่อไม่ใช่พุโทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองไรสาระอ่ะเชิญไปทานข้าวนี่หมดเลยครับ